เดี๋ยวบรรยายต่อไปนะครับตอนนี้ก็บรรยายถึงหน้าที่6บาลีข้อ403ในตอนที่พระพุทธเจ้าทรงถามถึงปัจญาการทั้ง11อย่างสอบถามความเข้าใจกับภิกษุทั้งหลายตั้งแต่ข้อว่าชาติปัจจญาชารามรนังเป็นต้น ถามภิกษุทั้งหลายว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่เธอทั้งหลายมีความเห็นในเรื่องนี้ว่าอย่างไรภิกษุทั้งหลายก็ตอบทีละข้อทีละข้อไปตอนนี้ถึงปัจจัยาการลำดับที่5เวทนาปัจจาตัญหาติอิติโขปเนตังบุตังก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่า เพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาจึงมีดังนี้เวทนาปัจจญานุขโขภิขเวตันหาโนวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะตันหาเป็นปัจจัยเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาจึงมีหรือหนอหรือว่าไม่ใช่กระถังวาเอถหโหติในข้อนี้เธอทั้งหลายมีความเห็นว่าอย่างไร พิสูจทั้งหลายก็กล่าบทูลว่าเวทนาปัจจญาพันเตตันหาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะตันหาเป็นเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาจึงมีเรวังโนเอธะโหติเวทนาปัจจญาตันหาในข้อนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นดังนี้ว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาจึงมีนะ อันนี้พระองค์ก็ถามในปัจจัยาการลำดับที่5ในลักษณะความเป็นไปของเหตุของปัจจัยเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาจึงมีนะครับฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายนะฝึกฝนก็เห็นเพียงช่วงใดช่วงหนึ่งตอนใดตอนหนึ่งหรือว่าเห็นหมวดใดหมวดหนึ่งก็ได้ขอให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วน เป็นของไม่มีตัวไม่มีตนเกิดจากเหตุจากปัจจัยเวลากล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นกล่าวถึงตัวตันหาก็ไม่ได้กล่าวถึงว่าตันหามันเป็นตัวเป็น ต, น, ตนอะไรแต่กล่าวถึงว่ามันมาจากเหตุจากปัจจัยอย่างนี้นะครับให้เรามีความรู้สึกกับเรื่องของความไม่มีตัวไม่มีตนสิ่งต่างๆล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเอาไว้ให้เยอะๆนะแล้วก็ค่อยๆฝึกฝนไปเรื่อย จนกระทั่งมีปัญญาก็จะเห็นความจริงได้นะครับต่อไปลำดับที่6ภผัสสะปัจจยาเวทนาติอิติขโขปเนตังวุตังก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีดังนี้ผัสสะปัจจยานุขโข พ, พิขเวเวทนาโนวาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีหรือหนอหรือว่าไม่ใช่กะถังวาเอตถะโหติเธอทั้งหลายมีความเห็นในข้อนี้ว่าอย่างไรภิกษุทั้งหลายตอบว่าผัสสะปัจจยาพันเตเวทนาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเววังโนเอถะโหติในข้อนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นดังนี้ว่า ผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีลำดับที่7สลายตนะปัจจยาผัสโสติอิติโขปเนตังวุตตังก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าเพราะผัสสะเป็นเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีดังนี้ สลายตนะปัจจญานุโขภิกเวผัดโโโนวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัดสะจึงมีหรือหนอหรือว่าไม่ใช่กระถังวาเอตถะโหติเธอทั้งหลายมีความเห็นในข้อนี้ว่าอย่างไรภิกษุทั้งหลายตอบว่าสลายตนะปัจจญาพันเตผัดโโข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะสลายาตนาเป็นปัจจัยพัสธะจึงมีเอวังโนโอเอถะโหติสลาญตนาปัจจยาผัทโสในข้อนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าเพราะสลาญตนาเป็นปัจจัยผัทธะจึงมีลำดับที่8นามรูปปั จ, จยาสลาญต น, นาอิติอิติโคปเนตังวุตังก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่า เพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีดังนี้นามรูป ป, ปัจจยานุขโขพิกเวสลายตนะหงโนวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีหรือหนอหรือว่าไม่ใช่กระถังวาเอตทะโหติเธอทั้งหลายมีความเห็นในข้อนี้ว่าอย่างไร ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่านามรูปปัจจะยาพันเตสลาญตนนังข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเอวังโนเอธะโหตินามรูปปัจจะยาสลาญตนนังในข้อนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมี ลำดับที่9วิญญาณปัจจยานามรูปังอิติอิติโขปเนตังวุตังก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีดังนี้วิญญาณปัจจยานุโขภิกขเวนามรูปังโนวาดูกอนภิกษุทั้งหลายเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีหรือหนอหรือว่าไม่ใช่ กระถังวาเอตหโหติเธอทั้งหลายมีความเห็นในข้อนี้ว่าอย่างไรภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าวิญญาณปัจจยาพันเตนามะรูปังข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเอวังโนเอถหโหติวิญญาณปัจจยานามะรูปังในข้อนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่า เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีลำดับที่10สังขาระปจยาวิญญาณังอิติอิติโขปเนตังวุตังก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีดังนี้สังขาระปจจญานุขโขภิกขเววิญญาณังโนวาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีหรือหนอหรือว่าไม่ใช่กระทังวาเอธะโหติเธอทั้งหลายมีความเห็นในเรื่องนี้ว่าอย่างไรภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าสังขาราปัจจยาพันเตวิญญาณังข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเอวังโนเอถะโหติ สังขาระป จ, จยาวิญญาณังในข้อนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นดังนี้ว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีดังนี้ลำดับที่ 11. ออวิชชาปั จ, จยาสังขาราอิติอิติโขปเนตังวุตังก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีดังนี้ อวิชชาปัจญจานุโขพิขเวสังขาราโนวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีหรือหนอหรือว่าไม่ใช่กฐังวาเอถะโหติเธอทั้งหลายมีความเห็นในเรื่องนี้ว่าอย่างไรภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าอาวิชชาปัจจญาพันเตสังขาราข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเอวังโนเอถะโหติอวิชชาปัจยาสังขาราในข้อนี้ข่าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นดังนี้ว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีดังนี้นะครับอันนี้ก็ครบทั้ง11ปัจจัยาการซึ่งขยายความ ความที่ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นฝ่ายสังขารที่เป็นกองทุกนั้นอิงอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยในการเกิดขึ้นเรียกว่าปัจจัยอาการคืออาการความเป็นไปของเหตุของปัจจัยต่างๆนะครับเวลากล่าวถึงสิ่งในสิ่งหนึ่งเช่นสังขารอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นการกล่าวถึงสังขารลอยๆแต่เป็นคําพูดที่แสดงให้เห็นว่าอันนี้มาจากเหตุจากปัจจัยอย่างนี้นะครับ อันนี้พระองค์ก็ถามเป็นทีละปัจญาการทีละปัจยาการไปที่พระองค์กล่าวอย่างนี้เห็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่ภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเพราะว่าท่านได้เห็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัส บ, บอกเอาไว้โดยไม่สงสัยนะครับต่อไปบาลีข้อ404พระองค์ก็สาธุ ก, การ สาธุพิกเวย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดีแล้วดีแล้วนะถ้าอยากจะให้พระพุทธเจ้าสาธุการเราก็ต้องเห็นอย่างนี้นะถ้าเห็นเป็นตัวเป็นตนเราโน่นเรานี่นี่โอ้ยลบากลําบนเหลือเกินนะต้องเห็นเรื่องของเหตุเรื่องของปัจจัยนะครับพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้สอนให้เราเป็นคนดีอะไรหรอกสอนให้เราเลิกเห็นผิดเลิกยึดมั่นถือมั่นเลิกเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเห็นว่า สังขารทั้งหลายมันล้วนเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่นะอาจารย์ท่าจะสอนกันตั้งแต่เด็กๆก็ดีเหมือนกันนะเรื่องนี้โดยส่วนใหญ่เราสอนกันแต่เรื่องเอานโน่นเอานี่ได้นโน่นได้นี่บังคับนั่นบังคับนี้ใช่ไหมไม่ได้สอนเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยจริงถ้าสอนเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยความเข้าใจผิดมันก็ไม่มากมันก็ละได้ง่ายแต่ถ้าสอนยิ่งควบคุมยิ่งบังคับยิ่งหาเรื่องบังคับมากเท่าไหร่มันก็ ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งยุคนี้แหละเราก็มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขึ้นมามีปัญหาครบทุกอย่างเลยนะตั้งแต่ปัญหาทุกทางใจก็ยังไม่ได้แก้ก็ยังเพียบอยู่ปัญหาทุกภายนอกมีไหมปัญหาสังคมก็มากจนกระทั่งถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมอะไรเยอะแยะเนละแสดงว่ามันพัฒนาไม่ถูกตั้งแต่ต้นแล้วจึง เกิดปัญหามากนะครับในสมัยยุคเก่าๆ เ, เขามีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าเป็นปัญหาเรื่องทุกข์ทางใจปัญหาสังคมยังมีไม่มากเพราะว่าเขายังไม่ได้พัฒนาอะไรที่มันผิดพลาดมากนะครับของเรานี่พออยากจะพัฒนามันก็ไม่รู้จริงพอไม่รู้จริงทุกข์ทางใจยังไม่ได้แก้ก็ไปทําโน่นทํานี่ขึ้นมาก็เกิดปัญหาโดยครบถ้วนทีเดียวนะฉะนัะ้นเราก็มีปัญหาเกี่ยวกับทางครอบครัว ป, ปัญหา เกี่ยวกับการเมืองสังคมปัญหายาเสพติดปัญหาสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆครบสมบูรณ์ทีเดียวนะฉะนั้นเราที่พัฒนากันมาก็ได้เท่านี้แหละ <c oughs> คือปัญหาต้นตอคือความไม่รู้อริยสัจก็ยังไม่ได้แก้แล้วก็ปัญหาอันอื่นก็สร้างขึ้นมาอีกเพียบเลยนะก็ดูก็แล้วกันว่ามันจเจริญขึ้นหรือว่ามันเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า ในหลักของพุทธศาสนาในนี้ท่านแค่ต้องการให้พ้นทุกทางใจพอพ้นทุกทางใจแล้วต้นตอมันคือทุกทางใจพอทุกจังใจพ้นไปแล้วปัญหาด้านความสัมพันธ์มันก็หมดไปปัญหาสังคมก็หมดไปปัญหาสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆก็ล้วนหมดไปทั้งหมดมันก็จบกันไปนะแต่เรานี้เกิดทุกทางใจแล้วก็ไม่รู้วิธีแก่โ น, น่นแกนี้ไม่ถูกก็ ทุกเก่าคือความไม่รู้อริยศาสตร์ก็ยังไม่ได้แก้ก็หาวิธีนั่นวิธีนี้จะแก้นั่นแก่นี้ก็ผิดพลาดมากไกลมากนะครับจนลุกนี้นะเราทั้งหลายทุกคนก็เห็นกันแล้วแหละคือทุกมันมีได้ทุกทางปัญหามีได้ทุกทางคือของเก่าคือความไม่รู้อริยศาสตร์ที่เป็นต้นต่อพาเรามาเกิดวนเวียนนี้ก็ยังไม่ได้แก้ใช่ไหมแล้วก็ยังได้ทุกอันอื่นๆที่เป็นปัญหา สิ่งแวดล้อมปัญหาเกี่ยวกับสังคมปัญหานโน่นปัญหานี่มาด้วยนะก็เยอะแยะนะครับอันนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่รู้จักเรื่องเหตุเรื่องของปัจจัยแท้ๆเลยนะพอไม่รู้จักเหตุไม่รู้ปัจจัยมันก็ทำไม่ถูกพอทำไม่ถูกมันก็สลับไปสลับมางงไปงงมามันก็เกิดผลวนเวียนกันเป็นทุกข์นะครับที่ท่านเรียกว่า พอไม่รู้จักปัจจัยาการไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทแล้วก็จะเป็นกระจุกเหมือนกระจุกได้ยุ่งเหมือนยุ่งได้ของช่างหุกมันยุ่งกันนะยุ่งไปหมดนะสลับสับสนอนละมานกันไปแต่ถ้าเห็นแบบปฏิจจสมุปบาทแล้วเรื่องยุ่งมันก็จะไม่มีตั้งแต่เรื่องยุ่งทางใจมันก็หมดไปใช่ไหปัญหาความสัมพันธ์อะไรต่างมันก็หมดไปปัญหาสังคมมันก็ไม่มีไปเรื่อยอย่างนี้นะครับ แต่เอาละอย่างว่าแลหละปัญหาทางโลกโลกนี้มันคงแก้ไม่ได้เพราะว่ามันล้วนเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราก็แก้ปัญหาคือทุกทางใจให้มันได้ก็พอแล้วคือฝึกฝนให้รู้อริยสัจนั่นแหละ ด, ดีที่สุดนะครับอันนี้หลังจากพระองค์ถามความเห็นของภิกษุทั้งหลายเรื่องความเห็นที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ปัจจัยการทั้ง11อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็ตอบอย่างที่พระองค์แสดงพระองค์ก็สาธุการสาธุภิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายดีแล้วดีแล้วอิติโคพิกเวตุมมเหปิเอวังวเดธะแม้เธอทั้งหลายก็กล่าวอย่างนี้นั่นแหละอะหัมปิเอวังวดามิแม้เราตถาคตก็กล่าวอย่างนี้เหมือนกันภิกษุก็กล่าวอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ แม้พระตถ า, าคตพระพุทธเจ้านะก็กล่าวอย่างนี้เห็นอย่างนี้เหมือนกันเห็นในสิ่งเดียวกันเห็นเหมือนเหมือนกันในเรื่องปัจจัยาการนะครับว่าอิมัตสงสติอิดังโหติอิมัตสุ ป, ปาดาอิดังอุปปัชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะการเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะครับเมื่อว่าโดยย่อที่สุดแล้วฝ่ายเกิดก็มีเท่านี้แหละ ถ้าเรารู้สึกว่าอู้อันนั้น11ปัจจัยการนั้นมันเยอะเหลือเกินเราก็จะเอาย่อๆเท่านี้ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้พระองค์กล่าวถึงเฉพาะปัจจัยการในแง่มุมของการเกิดขึ้นของทุกขทางใจแต่ว่าปัญหาอื่นๆปัญหาสังคมอะไรต่างๆมันก็มีปัจจัยการในการเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ต้องเน้นมากก็ได้เรื่องเหล่านั้นเพราะว่าถ้าเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นกองกองทุกขของความเข้าใจผิดของความยึดถือในใจแล้ว เมื่อเข้าใจกายใจตัวเองแล้วสิ่งอื่นภายนอกมันก็เข้าใจไปเองโดยอัตโนมัติอย่างนี้เพราะอันที่เข้าใจยากสุดคือกายกับใจของตนเองคือความทุกข์ในด้านจิตใจนี้เข้าใจยากสุดพออันที่เข้าใจยากสุดเข้าใจได้แล้วอันอื่นก็เป็นอันหมดสงสยัยสิ้นสงสัยไปนะครับฉะนั้นในที่นี้พระองค์ก็แสดงในแง่มุมข อ, ของการเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วน คือกายกับใจขันทั้งหนะครับฝ่ายเกิดก็มีสั้นๆว่าอิมัตสมิงสติเมื่อสิ่งนี้มีอิดังโหติสิ่งนี้จึงมีขึ้นอิมัตสุปบาดาเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้อิดังอุ ป, ปัชติสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะการเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่า ที่สิ่งนี้มันมีนี่มันไม่ได้มีอยู่ก่อนเมื่ออันนี้มันมีอันนี้มันจึงมีเมื่อกล่าวถึงวิญญาณมีก็ไม่ใช่หมายก็ว่าวิญญาณมันมีอยู่ก่อนแต่เมื่อเมื่อเหตุปัจจัยมันมีวิญญาณมันจึงมีมันไม่ได้มีอยู่ก่อนมีเมื่อมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วมันไม่ได้เกิดมาลอยๆเพราะการเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตัวเหตุปัจจัยนั้นก็เกิดขึ้นเหมือนกันไม่ได้เหตุปัจจัยเป็นของเที่ยงแท้ ไม่ใช่ตัวเราเป็นของเที่ยงแท้แล้วไปสร้างตึกตึกไม่เที่ยงแต่ตัวเองที่ยังไม่ใช่อย่างนั้นแม้แต่ตัวเองที่สร้างตึกก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยด้วยอย่างนี้นะครับท่านจึงบอกว่าเพราะการเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเห็นไหมสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยให้มันเกิดก็ยังเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยอีกอย่างนี้ล้วนไม่มีตัวไม่มีตนเลยสักที่เดียวไม่ได้มีอยู่ก่อนแต่มีเมื่อเกิดเมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้มันจึงมีขึ้นนะไม่ได้เกิดมา ล, ายลอยๆด้วยเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเหตุปัจจัยที่ทําให้มันเกิดก็เกิดจากเหตุปัจจัยอีกต่อหนึ่งเพราะการเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นไอเหตุปัจจัยที่ทําให้มันเกิดก็เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะจานั้นถ้าเราเข้าใจแค่ประโยคสั้นๆนี้ก็หมดสงสัยแล้วไม่มีอะไรนะครับ ทีนี้ก็ถ้าขยายความออกไปก็ยาดิดังก็ได้แก่อวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีสังขาระปัจจยาวิญญาณังเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีวิญญาณะปัจจยานามรูปังเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีนามรูปะปัจจยาสลายตนา เพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลาญตนะจึงมีสลาญตนะปัจจยาผัดโศเพราะสลาญตนะเป็นปัจจัยผัดสะจึงมีผัดสะปัจจยาเวทนาเพราะผัดสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเวทนาปัจจยาตันหาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาจึงมีตันหาปัจจยาอุปาดาหนังเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมี อุปาดานปัจจยาพาวะเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีภวะปั จ, จยาชาติเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีชาติปั จ, จยาชารามรนังโสกะปริเดวดะทุกขโทมนั ส, สุปายาสาสัมพวันติเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะจึงมี เอวเมตัสะเกวราสทุกขขันทัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้นล้วนอันนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้อันนี้ก็เป็นฝ่ายเกิดขึ้นนะครับนี่ถ้าเราสอนกันตั้งแต่เด็กๆก็ดีเหมือนกันนะเพราะอันนี้มีนะอันนี้จึงมีขึ้นเพราะมีพ่อมีแม่นะเธอจึงมีขึ้นเพราะมีครูนะจึงมีความรู้เพราะนี่นะจึงมีนี่เพราะนี่นะจึงมีนี่นะ ไม่ใช่เธอทำโน่นทำนี่จงโน่นจงนี่มันก็นะฉะนั้นค่าสอนให้ถูกตั้งแต่ต้นความเข้าใจผิดมันก็ไม่มากนักความยึดถือมันก็น้อยความที่จะเข้าใจสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันก็เป็นไปได้โดยง่ายนะครับนะฉะนั้นพวกกัญยาณมิตรหรือว่าตัวสังคมตัวคนสอนนี้ก็สำคัญสาหรับคนที่ ยังไม่มีโยนิโสมนสิการหรือว่าคนที่ยังไม่มีความรู้ก็สำคัญมากถ้าเราไปอยู่ในสังคมที่เป็นปาปมิตรสอนเราหลอกเราให้เอาโน่นเอานี่แบบที่เขาหลอกหลอกเรามาเห็นไหมโรงเรียนก็ดีอะไรก็ดีเขาก็สอนให้เราพยายามควบคุมนั่นควบคุมนี่อะไรเยอะแยะมีตั ว, ม, ตวมีตนพิสูจน์ตนเองมากอันนี้เราก็หลงไปไกลเลยใช่ไหมบางคนทาอะไรตั้งเยอะตั้งแยะแต่ดูเหมือนว่า มาดูทีหลังเอ๊ะไม่ทำถ้าจะดีกว่านะเดินไปตั้งไกลแล้วแต่ปรไม่ถึงไหนยิวอย่างนี้ไม่เดินซะยังดีกว่าไม่ต้องถอยกลับมาลงคลองเหมือนเดิมในบางคนนี่เดินไปไกลแล้วพอจะถอยมาลงคลองแล้วแหมมันลำบากเหมือนกันเนาะเพราะเดินมานานแล้วก็เสียดายไปอี ก, กอะไรอีกมันก็ลำบากลำบนกันไปนะครับฉะนั้นผิดๆนี่ก็อย่าไปทาเยอะนะครับนะ่ฟังพระพุทธเจ้าไว้ดีที่สุดนะ ก็สั้นๆก็ได้ก็คืออิมัสมิงสติเมื่อสิ่งนี้มีอิดังโหงติสิ่งนี้จึงมีอิมัตสุปมาดาอิดังอุปชติเพราะการเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเป็นเรื่องของเหตุเรื่องของปัจจัยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่มีตัวไม่มีตนจะอธิบายเรื่องไหนก็ได้นะนอกจากเรื่องของทุกที่เกิดจากเหตุจากปัจจัยนอกจากเรื่องทุกทางใจก็ได้ อธิบายเรื่องอื่นก็ได้ความเป็นอาจารย์อย่างนี้ก็ไม่ได้มีตัวตนอย่างให้ผมอาจารย์สุภีอย่างนี้ก็ไม่ได้มีตัวตนอะไรก็อาศัยคนฟังจึงมานั่งพูดอาศัยคนพูดจึงมานั่งฟังอย่างนี้อิงอาศัยกันไม่ได้มีตัวมีตนว่าจะเป็นอาจารย์อย่างเที่ยงเที่ยงเป็นลูกศิษย์หรือว่าเป็นนักเรียนอย่างเที่ยงเที่ยงไม่ใช่อย่างนั้นนะเดี๋ยวสักหน่อยเราไปอยู่กับลูกกับหลานเราก็เป็นยายเป็นป้าแล้วไม่ได้เป็นนักเรียนแล้วใช่ไหม เพราะว่ามันล้วนอิงอาศัยฉะนั้นความมีความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ของอิงอาศัยกันเกิดขึ้นเท่านั้นเองนะครับนี่ถ้าเราเข้าใจเราก็จะเห็นความไม่มีตั ว, ไ ม, มตวไม่มีตนของทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งโ น, น่นออกไปภายนอกโลกร้อนฝนฟ้าอะไรต่างๆเมฆล อ, อยไปเมฆ ก, ก็ไม่ได้มีตัวมีตนเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยสักหน่อยมันก็ทนไม่ไหวก็ตกลงมาเพราะมันเป็นของไม่เที่ยง แล้วก็ไม่คงที่ไม่คงทนไม่มีตัวไม่มีตน ม, ม, มันก็ตกลงมาเป็นฝนฝนก็เป็นน้ำเข้าไปในดินแบลอะไรต่างๆนี่ก็ล้วนแต่เป็นวงจรหรือว่าวัฏะของมันไปอย่างนี้นะแต่การรู้เรื่องนั้นก็ยังไม่สู้เกิดประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องทุกข์ทางใจฉะนั้นท่านจึงไม่เน้นท่านจึงให้มันเน้นเรื่องการเกิดขึ้นของทุกข์ทางใจว่ามันเป็นไปยังไงพอรู้เรื่องนี้แลเรื่องภายนอกนี้ เป็นอันไม่ต้องพูดถึงนะจะรู้ทั้งหมดนั่นแหละฉะนั้นอะไรทฤษฎีอะไรที่มันยุ่งยากสลับซับซอ้อนอะไรต่างๆที่เราคิดว่าโอ้เขาคิดได้ยังไงนะัถ้าเรารู้ข้างในแล้วเรื่องนั้นเป็นเรื่องพื้นๆเท่า น, น, น, นั้นเองไม่ได้มีอะไรใหญ่โตเลยเรื่องจักรวาลหมุนรอบตัวเองบิก๊กแบงบิก๊กอะไรนี่ไม่มีอะไรใหญ่โตเลยนะเล็กน้อยมากนะครับอันนี้นะแต่เราคงชอบอย่างงู้นเนาะสนุกดีนะ <c oughs> นะ แต่ว่าโดยแท้จริงแล้วไม่ต้องสนใจมากเพราะาเรื่องการรู้แบบนั้นรู้แล้วมันจะไม่จบแต่ถ้ารู้ที่กายที่ใจแล้วมันก็จะจบเมื่อรู้จบแล้วก็แสดงว่ารู้ทุกอย่างแล้วมันจึงไม่ไปสนใจข้างนอกรู้แบบนี้จึงจะสิ้นตัณหาได้นะครับถ้ารู้แบบอื่นมันสิ้นตัณหาไม่ได้นะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เรื่องของเหตุเรื่องของปัจจัยที่เป็นฝ่ายเกิดฝ่ายมีขึ้น ต่อไปก็ฝ่ายดับฝ่ายสนิทไปไม่เหลือฝ่ายหมดไปสิ้นไปนะก็เริ่มต้นอวิชชายะเตเ ว, วะอเศสวิราคานราาระนิโรธาสังคารานิโรโธส่วนเพราะการดับสนิทโดยไม่มีส่วนเหลือของอวิชชานั้นนั่นแหละการดับของสังขารจึงมีได้ นิโรโทรนิโรธาแปลว่าการดับสนิทดับสนิทคือไม่เกิดไม่เกิดก็เลยไม่ต้องดับอีกนะครับถ้าอาวิชชาไม่มีดับสนิทอวิชชาทําลายอาวิชชาให้หมดไปสังขารมันก็ไม่มีสังขารไม่เกิดมันก็ไม่ดับเขาเรียกว่าดับสนิทนะเหมือนไฟดับสนิทหมายเขาว่าอะไรก็หมายเขาว่ามันดับสนิทแล้วนะคือหมายถึงว่ามันไม่เป็นไฟแล้วมันดับสนิทไปแล้ว ไม่ใช่มีไฟลุกพิ่มแล้วไปดับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะอย่างนั้นไม่ได้เรียกว่าดับสนิทถ้าดับสนิทหมายถึงว่ามันดับไปแล้วแต่แต่เดิมมันเคยมีเกิดดับแต่ตอนนี้มันไม่เกิดแล้วมันก็เลยไม่ดับเขาเลยเรียกว่าดับสนิทนะถ้าพูดภาษาแบบใหม่ๆเขาเรียกว่าไม่เกิดจึงไม่ดับอย่างนี้นะไม่เกิดก็ไม่ตายไม่เข้าก็ไม่ออกไม่มาก็ไม่ไปแต่ถ้ายังเกิดก็ต้องตายอยู่ยังมาก็ต้องไปอยู่วนเวียนอยู่ แต่วันนี้เลิกแล้วจะเลิกได้ยังไงล่ะก็เลิกได้โดยการทําลายอาวิชชาทําลายความไม่รู้ไปด้วยวิราคะด้วยการฝึกฝนตามไตรศิขาตามอริยมรรคท่านจึงเริ่มต้นด้วยคำว่าอาวิชชายะเววะอเสสวิราคะนิโรธาเพราะความดับสนิทไปโดยไม่มีส่วนเหลือของอวิชชานั้นนั่นแหละหมายความว่าอาวิชชาก็ไม่ได้มีตัวตนเหมือนกันนะนานๆเกิดทีเหมือนกัน แต่ว่านานๆเกิดทีถ้าเราไม่มีวิชาไม่มีความรู้มันดับสนิทไหมมันดับไม่สนิทนะมันเกิดแล้วมันดับก็จริงแต่มันไม่สนิทพอมีเหตุมันเกิดไหมเกิดอีกแล้วเกิดอ <5000. S 2> ีกแล้วเกิดอยู่เรื่อยนะในมุมมองอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าอาวิชาก็ไม่ได้มีตัวมันมีตนเหมือนกันนานๆเกิดทีหนึ่งเราไม่ได้ยึดถือเป็นตัวตนตลอดใช่ไหมยอย่างเรานั่งอยู่นี่เราก็ไม่ได้ยึดถือเป็นตัวตนอะไรแต่พอมีคนมาด่าเราเป็นไงโอ้ไอ้หมอนี่มันด่าเราย มีเราขึ้นมาโผล่มาทีเดียวอวิชามาเพียบเลยตอนนี้ยตัวดําปืดมาเลยอย่างนี้เอาแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วก็ดับไปแต่มันไม่ดับสนิทเพราะไม่มีวิชาไม่มีตัวที่เป็นสิ่งที่มันตรงกันข้ามหรือว่าตัวทําลายมันไปอย่างนี้เพียงแต่เราฝึกฝนที่จะสํารอกหรือว่าทําให้อวิชามันดับสนิทไปด้วยไตรสิกขาด้วยอริยมรรคเมื่อวิชามันเกิดขึ้นแล้ว อวิชามันเกิดเพราะเหตุแล้วดับมันหมดเหตุแล้วมันก็ไม่เกิดอีกมันก็ดับสนิทพอดับสนิทสังขารก็ดับสนิทวิญญาณก็ดับสนิทอะไรก็ดับสนิทไปหมดเพราะต้นตอมันหมดแล้วอย่างนี้การวนเวียนมันก็หมดไปหมดไปอย่างนี้นะครับฉะนั้นตัวขันทั้ง5ที่เกิดเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะก็บริหารมันให้มอนพอเป็นไปได้ ส่วนที่จะให้ดับสนิทนี้ท่านดับเฉพาะกองทุก์ที่มันมาจากอาวิชชาคือความไม่รู้เมื่อมีไม่รู้แล้วก็มีตัณหาอยากด้วยความไม่รู้ท่านให้ดับตัวนี้ฉะนั้นเวลาท่านให้ดับทุกข์หรือว่าทุกขานิโรธท่านจึงบอกว่าสิ้นตัณหานีก็คือไม่ได้ให้ไปดับตัวเองแต่ให้ดับความอยากดับความต้องการซึ่งความอยากความต้องการจะดับได้ โดยทำความรู้ให้เกิดขึ้นพอรู้แล้วก็เลิกอยากพอเลิกอยากแล้วก็จบกันไปเท่านี้เองนะเป็นการปฏิบัติที่เห็นได้ในทิฏฐธรรม <c oughs> เห็นได้ชัดๆนะกายกับใจเป็นตัวทุกข์ไม่มีตัวตนเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยตัณหาความอยากที่เกิดจากความไม่รู้ทำให้เกิดทุกข์นี่ก็เห็นเห็นกันอยู่พอดับสนิทของตัณหาก็หมดทุกข์ไปก็เท่านี้นะครับ เพราะความดับสนิทโดยไม่มีส่วนเหลือของอวิชา น, นนั่นแหละสังขารสังขารนิโรธโการดับสนิทของสังขารจึงมีนะคงจะรู้จักดับสนิทแล้วนะนิโรธะดับสนิทก็หมายถึงว่าดับแบบไม่เกิดอีกนะครับไม่เกิดจึงไม่ดับนั่นแหละเรียกว่าดับสนิทนะสังขาระนิโรธาวิญญาณนิโรธโ เพราะาความดับสนิทไปของสังขารความดับสนิทของวิญญาณจึงมีวิญญาณ น, นิโรธานามรูปะนิโรโทเพราะวญญาความดับสนิทของวิญญ า, าณาาความดับสนิทของนามรูปจึงมีนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะความดับสนิทของนามรูปความดับสนิทของสลายตน ะ, ะจึงมีสลายตนะนิโรธา ผัสสนิโรโทเพราะความดับสนิทของสลายตนะความดับสนิทของผัสสะจึงมีผัสสนิโรธาเวทนานิโรโธเพราะความดับสนิทของผัสสะความดับสนิทของเวทนาจึงมีเวทนานิโรธาตันหานิโรโธเพราะความดับสนิทของเวทนาความดับสนิทของตัญหาจึงมี ตัณหานิโรธาอุปาดานิโรโธเพราะความดับสนิทของตัณหาความดับสนิทของอุปาทานจึงมีอุปาดานิโรธาภวะนิโรโธเพราะความดับสนิทของอุปาทานความดับสนิทของภพจึงมีภวะนิโรธาชาตินิโรโธเพราะความดับสนิทของภพความดับสนิทของชาติจึงมี ชาตินิโรธาชารามรณงโสกะปริเตวะทุกขโดมณ ส, สุปายาสานิรุชันติเพราะความดับสนิทของชาติชารามรณาโสกะปริเทวะทุกโธมนณสุปายาสะจึงดับไปเอวเมตสะเกวัสตะทุกขขันทะตะนิโร โ, โธโหติความดับสนิทของกองทุกขทั้งสินนี้ทั้งมวล น, นี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้นะครับความดับสนิทของกองทุกขไม่มีกองทุกเกิดก็ไม่มีกองทุกที่จะดับไม่เกิดก็ไม่ดับนั่นแหละเขาเรียกว่าดับสนิทไปถ้ายังเกิดเกิดดับดับอยู่ก็ยังว่ามันไม่สนิทมันไม่ดับนะถ้าดับสนิทก็ไม่เกิดไม่ดับนะก็คือถ้าสูงสุดก็พระนิพพานนั่นเองพระนิพพานก็ไม่มีทั้งนามทั้งรูปนามรูปมันของเกิดดับนะ รนิพพานไม่มีทั้งนามทั้งรูปก็เลยไม่เกิดไม่ดับไม่มีการมาไม่มีการไปไม่มีการจุติไม่มีการอุ บ, บัตินะครับเพราะว่านามรูปมีการมามีการไปมีการจุติมีการอุ บ, บัติส่วนนิพพานไม่ใช่อย่างนั้นนะที่พระพุทธเจ้ามาประกาศคํำสอนและบอกพระองค์ก็เน้นสายฝ่ายดับไปดับสนิทนี่แหละนะฝ่ายหลังเนี่ย แต่เวลาเราเรียนโดยส่วนใหญ่มันจะเรียนอยู่ฝ่ายกองทุกวนเวียนซะมากนะครับที่พระองค์สอนเรื่องฝ่ายกองทุกวนเวียนเพื่อให้เราเบื่อนหน่ายในกองทุกส่วนที่พระองค์เน้นจริงๆให้เราฝึกฝนตนเองก็เพื่อให้เราพ้นไปแห่งทุกให้ทําลายอาวิชชาแล้วก็ทําวิชาให้มันเกิดขึ้นไม่ได้ให้มาทําอะไรวนเวียนเหมือนเดิมแล้วนะแต่เวลาเราเรียนโดยส่วนใหญ่เราเรียนไม่ครบถ้วนเวลาเรียนไม่ครบถ้วนมันก็ ไม่เกิดสัมมาทิฏฐิไม่เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องมันก็เลยไม่ได้หนทางคืออริยมรรคมีองค์แปดประการคือไม่เป็นอาทิพรหมจรรย์ น, นั่นเองไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ใช้ชีวิตที่ประเสริฐแต่ถ้าเราเรียนถูกต้องนะเรียนเรื่องอริยศาสตร์เรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็จะได้อาทิพรหมจรรย์คือจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตชนิดที่มันประเสริฐไม่ได้ใช้ชีวิตตามตัณหาแล้ว ใช้ชีวิตด้วยสติด้วยปัญญาเท่าที่มีไปก่อนถึงยังมีตัณหาอยู่บ้างแต่ก็เริ่มมีความรู้ขึ้นรู้ว่าเออจะพ้นทุกข์ได้ยังไงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีปัญญาอย่างนี้ท่านเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ใช้ชีวิตชนิดที่มันประเสริฐประเสริฐคือเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะครับอย่างนี้นะเนี่ยที่ท่านเน้นจริงๆก็ฝ่ายนิโรธะฝ่ายความดับสนิท พูดง่ายๆก็ฝ่ายนิพพานนี่แหละนะที่เน้นจริงๆคือทางนี้นะครับฉะนั้นคําสอนข้อประพฤติปฏิบัติทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นให้เราประพฤติเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาให้เห็นขันธ์ทั้ง5โดยความไม่มีตัวไม่มีตนก็เป็นข้อปฏิบัติอยู่ฝ่ายนิโรธะทั้งหมดคือฝ่ายให้มันดับสนิทของทุกข์ไม่มีทุกข์เกิดก็ไม่มีทุกข์ให้ดับเพราะว่าตัณหานั้นมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อันใหม่ พอไม่มีตัณหาก็ไม่มีทุกข์อันใหม่เกิดไม่มีทุกข์อันใหม่เกิดก็ไม่มีทุกข์ให้ดับมันก็จบไปเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรนะครับส่วนตัวทุกนั้นมันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยนะมันเกิดเองมันก็จะดับไปเองอันนั้นไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่ามีเหตุปัจจัยเพร้ะมันจึงเกิดหมดเหตุมันก็ดับถ้าเราไม่มีตัณหาก็ไม่มีทุกข์อันใหม่ไม่มีทุกข์ัดสมุทัยไม่มีเหตุให้เกิดทุกข์ไม่มีทุกข์เกิดก็ไม่มีทุกข์จะให้ดับก็ ทุกขานิโรธะนะทุกขสมุทัยจึงเป็นตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความสิ้นตัณหาเป็นทุกขานิโรธะความดับสนิทของทุกนี่นะประเด็นสําคัญนี่อยู่ที่ตัณหานี่ยละสีนี้ตัณหามันเกิดจากความไม่รู้นี่แหละมันหนักอยู่ตรงนี้นะครับฉะนั้นดูเหมือนว่าตัณหาเนี่ยเป็นกิเลส ตัวเดียวเท่านั้นเองแต่ทำไมมันสร้างเรื่องสร้างราวอะไรได้เยอะแยะเหลือเกินก็ไปดูเอาก็แล้วกันเนาะตื่นเช้าขึ้นมาก็จะเอาโนูน่นเอานี่จะทำนั่นทำนี่แล้วอยากน่อนอยากนี่ไปทั่วแล้วลองดูก็แล้วกันแล้วจะเห็นว่ามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้ยังไงแล้วก็จะตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้ว่ า, าตันหาเนี่ยมันเป็นนายช่างผู้สร้างเรือนเห็นไหมเนี่ย เราเอากายเอาใจซึ่งได้เป็นเรือนที่ได้มาแล้วจากกรรมเก่าเอามาแล้วก็สร้างเรือนตามตันหาเขาจึงเรียกว่าอุปาทานขันขันที่มันเชื่อฟังตันหาอุปาทานอยากจะเอาอะไรล่ะอยากจะเป็นคนดีใช่ไหมก็เอามือเอาไม้ไปทำแหมเชื่อมันแล้วเกินนะนี่นะนายช่างนะครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วท่านก็ทักตันหาเหมือนกันนี่นายช่างผู้สร้างเรือน เราเห็นเจ้าแล้วเนี่ยเราเห็นบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เนะก็เห็นอันแร ง, แรงก่อนก็พอล <T> เห็นอันที่มันเจตนารุนแรงที่จะไปทำทุจริตเออนั้นในละไปก่อนส่วนอันละเอียดก็ค่อยว่ากันนะครับอย่างนี้นะฉะนั้นที่ท่านเน้นจริงๆก็ฝ่ายนิโรธฝ่ายความสิ้นตัณหาเหมือนกับพระสูตรนี้พระสูตรนี้ก็ชื่อตัณหาสังคยะคือความสิ้นตัณหาต้องรู้จัก ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงทําลายอาวิชชาไปพอทําลายอาวิชชาไปตัณหามันก็ไม่มีที่ตั้งของมันเองนั่นแหละนะครับฉะนั้นที่เกิดของตัณหากับที่ดับของตัณหานี n เป็นที่เดียวกันอยู่ที่มีความรู้หรือเปล่านะครับท่านจึงบอกว่าตัณหานี n เวลาจะเกิดเกิดที่ไหนปยรูปสารูปอันใดมีอยู่ในโลกนี้เวลาตัณหาเกิดก็เกิดในที่นี้เวลาตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ในที่นี้เวลาตัณหาดับดับในที่ไหนสนิทสนิทในที so ouais okay. ่ไหนปียรูปสาตรูปอันใดมีอยู่ในโลกนี้ตัณหาเวลาจะดับเวลาจะสนิทก็สนิทที่ปียรูปสาธรูปนี้เนี่ยเกิดและดับที่เดียวกันมันอยู่ที่รู้หรือไม่รู้ถ้าไม่รู้ตัณหาก็เกิดที่ปียรูปสาธรูปนี้ถ้ารู้ตัณหาก็ดับที่ปียรูปสาธรูปนี้ นี่นะ น, ะ, นะครับฉะนั้นวัตฏะกับวิวัฏ ต, ตะนี้อารมณ์ในการฝึกฝนก็อันเดียวกันน่อย่างนี้เวลาที่เกิดความอยากความต้องการก็ทําเพื่อตัวเองก็คือเพื่อตัวเรานี่แหละแต่ว่าเวลาจะไม่เพื่อตัวเราก็คือรู้ตัวเราตามที่มันเป็นจริงแล้วก็เลิกก <c oughs> ็อันเดียวกันนี่เห็นไห ฉะนั้นเวลาเรามาปฏิบัติธรรมนี่ไม่ได้มาเอาโน่นเอานี่เป็นอารมณ์ให้มันยุ่งยากบางคนก็แหมทําจิตให้มันว่างๆล่องๆก็แล้วกันบางคนก็เอาสุขก็แล้วกันบางคนก็เตลิดเลยไปเอานิพพานเป็นอารมณ์ก็แล้วกันจะได้ขายไปหมดเลยอย่างนี้มันเกินไปแล้วแต่แท้ที่จริงตัณหานี่มันเกิดที่ปยรูปสตารรูปมันก็ดับที่ปยรูปสารรูปนี่เองนะมันทําเพื่อตัวเองเราก็มาดูตัวเองให้มันเข้าใจสิพอเข้าใจแล้วมันก็เลิกก็จบกันไป ท่านจึงว่าขันทั้ง5้านี้มันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเวลาเราทําวิปัสสนานี้เราแค่ตามดูกายกับใจนี่แหละไม่ต้องไปเอาความว่างความไม่มีอะไรไม่ต้องเอานิพพานเป็นอารมณ์อะไรแค่ให้มันสิ้นตัณหาไปหมดตัณหามันก็ดับสนิทของทุกข์ก็ถึงนิพพานเองแจ้งนิพพานได้เองอย่างนี้พอเข้าใจไหมยาบางคนเขาก็ยุ่งยากมากนะแหม ตัวเองกายใจนี่มันไม่ค่อยอยากดูหรืองไงก็ไม่รู้เนาะจะไปดูนิพพานบ้างดูโล่งๆบ้างดูอะไรบูบว่าบูบว่าบ้างอะไรก็ไม่รู้แต่ท่านก็บอกตรงๆงอยู่แล้วว่านี่ให้ดูที่ขันทั้ง5นี่พระพุทธเจ้าท่านก็เตือนอยู่เสมอทีเดียวไม่ว่าสูตรไหนเห็นไหมอ่านสูตรไหนก็มีแต่เรื่องขันท่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบางทีก็แสดงอาญตนะบ้างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อภิกษุทั้งหลายเห็นอยู่อย่างนี้ก็จะเบื่อหน่ายคลายคำนัดนี่ เห็นอยู่อย่างนี้เท่านั้นเองไม่ได้ให้ทำอะไรนะครับอย่างนี้นะทีนี้หลังจากพระองค์แสดงเรื่องฝ่ายนิโรธะคือฝ่ายดับสนิทของกองทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ถามความดับสนิทของกองทุกข์มันก็ไม่ได้มีตัวมีตัวเหมือนกันมันก็ล้วนเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเหมือนกันพระองค์ก็ถามเป็นชั้นๆหรือว่าถามเป็นปัจจยาการไป ตั้งแต่ชาตินิโรธาชารามรณนิโรโธเป็นต้นไปก็เหมือนกับฝ่ายเกิดเมื่อกี้นั่นเองนะครับในบาลีข้อ405ชาตินิโรธาชารามรณนิโรโธติอิติโขปเนตังวุตังก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าเพราะความดับสนิทของชาติความดับสนิทของชารามรณะจึงมีดังนี้ ชาตินิโรธานุขโขภิกเวชารามรณนิโรโทโนวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะความดับสนิทของชาติความดับสนิทของชารามรณะจึงมีหรือหนอหรือว่าไม่ใช่กระทังวาเอตหาโหติเธอทั้งหลายมีความเห็นในข้อนี้ว่าอย่างไรจะไม่ต้องแก่ไม่ต้องตายอีกทำยังไงต้องไม่มีเกิดใช่ไหย ถ้าไม่อยากแก่อีกก็ต้องไม่เกิดใช่ไหมไม่อยากตายอีกก็ต้องไม่เกิดใช่ไหมชาตินิโรธาชรามรณนิโรโถแต่ถ้าใครเกิดมาแล้วนี่จะไม่ให้แก่ไม่ให้ตายมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าจะให้ความดับสนิทของชราและมรณะมันมีนี่มันต้องไม่เกิดพอไม่เกิดแล้วก็ไม่แก่แล้วก็ไม่ตายอย่างนี้กิเลสมันเกิดเราจะไปดับกิเลสที่มันเกิดมันไม่ได้ ถ้าจะให้มันกิเลสมันดับสนิทมันต้องไม่ให้กิเลสเกิดพอไม่เกิดมันก็ไม่ดับนี่มันต้องอย่างนี้ก็เหมือนชราบารณะเกิดมาแล้วไม่แก่ไม่ตายมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าจะไม่ให้แก่ไม่ให้ตายมันต้องไม่เกิดให้ดับสนิทของความเกิดไปไม่เกิดมันก็ไม่แก่ไม่ตายอย่างนี้อันอื่นๆก็ทำนองเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละนะครับอันนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็จะไม่งงนะ สมมุติเราไม่อยากให้มันมีตึกอยู่เราก็ไม่ใช่ว่ามีตึกแล้วไปทําลายตึกไม่ใช่อย่างนั้นก็อย่าสร้างตึกมามันจะมีไหมมันก็ไม่มีมันก็ไม่เกิดก็ไม่ต้องดับมันเนาะไม่เหนื่อยอีกแต่เรานี่สร้างมาแล้วอะไรแล้ววนเวียนไปเรื่อยวนเวียนไปเรื่อยอะไรก็ไม่รู้ทั้งทั้งที่มันไม่มีอะไรมาตั้งแต่ต้นพอไม่มีอะไรมาตั้งแต่ต้นก็ไปยึดถือเป็นเราเป็นของเราแล้วก็จะทําให้มันมีอะไรขึ้นมาจนได้ แต่จุดเริ่มต้นมันไม่มีอะไรจะทำให้มันมีอะไรได้ไหมมันก็ย่อมไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรมาตั้งแต่ต้นไอ้มีอะไรนี่เป็นความเห็นผิดและความยึดมั่นถือมั่นของเราเองพอเลิกเห็นผิดมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรอยู่อย่างเดิมนั่นแหละแล้วจะให้มันมีอะไรก็มันไม่มีอะไรมันไม่มีตัวไม่มีตนอะไรถ้าเป็นฝ่ายสังขารมันก็เป็นของเกิดดับฝ่ายวิสังขารก็ไม่เกิดไม่ดับแต่มันไม่ใช่ตัวตนทั้งสองอัน แต่เรานี้จะให้มันเป็นอะไรจนได้ใช่ไหแต่ว่ามันไม่เป็นแค่เลิกเห็นผิดเลิกยึดมั่นถือมั่นไปมันก็จบไปเท่านั้นนะครับอันนี้นะเพราะความดับสนิทของชาติความดับสนิทของชรามรณะจึงมีหรือหนอหรือว่าไม่ใช่ในข้อนี้เธอทั้งหลายมีความเห็นว่าอย่างไร ภิกษุทั้งหลายก็กลาบทูลว่าชาตินิโรธาพันเตชร า, ามารณนิโรโธข้าแต่พระองะค์ผู้เจริญเพ ร, ะร า, ค า, าพระความดับสนิทของชาติความดับสนิทของชรามรณะจึงมีเอวังโนเอถหาโหติชาตินิโรธาชรามรณานิโรโธในข้อนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นดังนี้ว่าเพราะความดับสนิทของชาติความดับสนิทของชารามรณะจึงมีดังนี้ น, นี่ต้องเห็นแบบนี้เห็นแบบดับสนิทอย่างนี้มันไม่ได้มีอยู่ก่อนมันเกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุมันก็ดับนะถ้าเราดับเหตุของมันได้แล้วเหตุของมันคือตัณหาดับสนิทของตัณหาหมดตัณหาหมดเหตุผลมันก็ไม่มีมันก็ดับสนิทไปก็จบกันไปจึงเป็นทุกข์นิโรธานี่นะครับหนทางก็อริยมรตมีองค์8ปประการนั้นนั่นแหละนะครับนี่ถ้าฟังเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ ชีวิตที่เป็นไปด้วยพรหมจรรย์ไม่ได้วนเวียนไปเอาบุญให้เป็นคนดีอย่างนน้นอย่างนี้ให้มันยุ่งยากอะไรเพราะว่าไม่รู้จะเป็นไปทําไมนะบางทีเป็นก็ลําบากหน้าดูเหมือนกันพระพุทธเจ้าอุตส่าห์บอกว่ารูปที่น่ารักน่าพอใจประกอบด้วยกา ม, มีอยู่ในโลกนี้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่ารักน่าพอใจ มีอยู่ในโลกนี้นะถ้าเราไปเพลิดเพลินไปติดใจไปพูดถึงเป็นไงบ้างนันที่ตันหามันก็เกิดตันหาเกิดทุกก็เกิดนี่เห็นไหมโอ้อยากเป็นคนถูกอยากเป็นคนดีเป็นไงมันก็เป็นธรรมารมของดีเนาะเราก็ไปติดไปพูดถึงอยู่เป็นไงตันหาก็เกิดตันหเกิดทุก็เกิดก็วนเวียนเรียบร้อยแลลวน่ะ นี่ในพระสูตรอื่นๆพระองค์ก็แสดงเอาไว้เป็นอันมากทีเดียวรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและก็ธรรมารมที่น่ารักน่าพอใจมีอยู่ในโลกนี้ถ้าเราเข้าไปติดข้องไปพร่ำเพรือไปพูดถึงไอเราทั้งหลายนี่มันเข้าข้อนี้หมดนะบุญแม่ดีเหลือเกินไปพูดถึงอีกแล้วความดีความถูกต้องอยากจะดีอยากจะถูกต้องอีกแล้วมันก็อยู่วนเวียนอยู่ข้อนี้ นั่นที่ความเพลิดเพลินตัณหามันก็เกิดตัณหาเกิดทุ ก, ก็เกิดก็วนเวียนอยู่เท่านี้ตลอดนะครับนะมันก็ไม่ดับสนิทของทุกทักทีกทเพราะว่าตัณหามันไม่ดับนะครับปัจจัยาการ อ, อื่นๆในฝ่ายนิโรธาก็เหมือนเหมือนกันนะคล้ายๆกับเมื่อกี้แหละนะครับเมื่อกี้ก็พูดถึงปัจจัยาการที่หนึ่งไปก็เปิดมาที่หน้า8จนกระทั่งถึง ตอนปัจจัยาการสุดท้ายส่วนอัน ก, นกลางๆท่านก็ไปอ่านเองก็แล้วกันนะคำแปลก็มีอยู่ข้างหลังแล้วนะครับอวิชชานิโรธาสังขาระนิโรโธอิติอิติโขปเนตังวุตตังอันนี้ลําดับที่11แล้วในหน้าที่8เกือบจะสุดย่อนหน้าแล้วนับขึ้นมาบรรทัศนที่3นะครับอวิชชานิโรธาสังขาระนิโรโธติอิติโขปเนตังวุตตัง ก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าเพราะความดับสนิทของอวิชช า, าความดับสนิทของสังขารจึงมีดังนี้อวิชชานิโรธานุโขพิขเวสังขาระนิโรโทโนวาดูก่อนพิกษุทั้งหลายเพราะความดับสนิทของอวิชช า, าความดับสนิทของสังขารจึงมีหรือหนอหรือว่าไม่ใช่กระถางวาเอธะโหติ เธอทั้งหลายมีความเห็นในข้อนี้ว่าอย่างไรนะเราทั้งหลายฝึกฝนก็เพื่อให้อวิชชานั้นมันดับสนิทไปของเรานี่มันไม่ดับสนิทมันเกิดอยู่เรื่อยนะอวิชชาความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ทุกขะสมุ ท, ทยัยไม่รู้ทุกขานิโรธาไม่รู้ทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทากระทบอารมณ์นั้นมันขึ้นมาอยู่เรื่อยขึ้นมาอยู่เรื่อยเพราะว่ามันไม่มีวิชาไม่มีความรู้ เราก็ฝึกให้มันมีปัญญามีความรู้มีวิชาขึ้นอวิชามันก็ไม่เกิดไม่เกิดมันก็ดับสนิทดับสนิทมันก็ทุกเรื่องมันก็จบกันไปเท่านั้นนะครับฉะนั้นเราทั้งหลายที่ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะตอนต้นๆก็เพื่อให้มีสติสัมปชัญญะเป็นตัวสังวรระวังป้องกันทุจริตอะไรต่างๆที่มันเกิดจากอวิชานั่นเองแต่ว่าอันนั้นมันรุนแรงมากนะทุจริตมันไม่ได้มีอยู่ก่อนใช่ไหมมันเกิด แล้วมันก็ดับเกิดแล้วก็ดับมันไม่ดับสนิทเราก็ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะป้องกันต่อไปมันก็ไม่เกิดมันก็ดับไปอย่างนี้ก็หมดไปนะจนกระทั่งถึงระดับหนึ่งมีปัญญาระดับหนึ่งก็ปิดอบายปิดทุจริตได้ทุกอย่างก็ดับสนิทไปเป็นขั้นๆไปจนกระทั่งแม้แต่กองทุกทั้งมวล น, นี้ก็ดับสนิทไปหมดเลยก็เป็นชั้นๆกันไปเห็นไหม ตามหลักของอริยามรรคมีองค์แนี้เป็นฝ่ายนิโรธะทั้งนั้นเลยไม่ได้เพื่อเอาอะไรนะรักษาศีลนี่ไม่ใช่เพื่อให้เราเป็นคนดีอะไรแต่เพื่อดับสนิทของกองทุกข์โดยเฉพาะดับกองทุกขที่มันแรงๆก่อนต่อมาก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อสิ้นตัณหาอย่างนี้จึงจะเป็นการประพฤติปรมจรย์ไม่ใช่รักษาศีลให้เราเป็นคนดีแต่รักษาศีลเพื่อ ให้เป็นพื้นฐานให้เกิดปัญญาเห็นว่าไม่มีเราทำสมาธิไม่ใช่ให้จิตเราสงบแต่ว่าฝึกฝนให้จิตตั้งมั่นเพื่อเห็นว่าไม่มีเรากลับข้าง อ, านะอันหนึ่งเราอีกอันหนึ่งเห็นว่าไม่มีเรา น, นะครับฉะนั้นก็เรียนธรรมะก็ต้อง มีสติสัมปชัญญะให้ดีๆไม่ใช่มัวแต่คิดแต่นึกอยู่บางคนเขาเรียนไม่ดีไม่เข้าใจนะไม่รู้จักวิธีการฝึกที่มันถูกต้องตามลําดับของศีลสมาธิปัญญาพอมาเรียนธรรมะเรื่องความไม่มีตัวตนก็มานั่งคิดอะไรแหมจะมีปัญญานั่งคิดเอาไปแล้วกันเราคิดไปคิดมาโอ้เข้าใจแล้วไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเรานั่นกลายเป็นเราเข้าใจไปอีกนะแต่ปัญญามันไม่ใช่อย่างนั้นปัญญาเป็นการเข้าใจว่าไม่มีเรา ไม่ใช่เราเข้าใจแต่เราโดยส่วนใหญ่เป็นเรียนแล้วเราเข้าใจใช่ไหมอันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันหลอกอยู่กิเลสมันหลอกอยู่อวิชชาอีกชนิดหนึ่งมันหลอกแต่ถ้าเป็นวิชาเป็นความรู้จะเห็นว่าไม่มีเราไม่ใช่เรารู้แต่เป็นรู้ว่าไม่มีเราแต่เราโดยทั่วไปนี้แม้เรียนธรรมะวันนี้เราได้รู้เพิ่มไว้เข้าท่าเข้าท่าที่มีเรารู้ด้วยเห็นไหม นี่แสดงว่ามันติดความคิดความนึกแล้วก็ความปรุงแต่งของตนเองพอไปติดแล้วมันก็ไม่ทันความคิดตัวเองแล้วพอไม่ทันความคิดตัวเองขาดสติขาดสัมปชัญญะวิญญาณมันก็ไปยังลงไปยังลงที่ความรู้นั้นพออย่างลงที่ความรู้ความเข้าใจผิดยึดมันก็เกิดยึดความรู้ว่าเป็นเรารู้ไปแล้วอย่างนี้ฉะนั้นการมีสติสัมปชัญญะมันจึงสาคัญจะรู้อะไรก็ช่างบันเทอ นี่รู้ตัวเองไว้หายใจเข้าหายใจออกเดินไปเดินมาให้รู้ตัวไว้เยอะๆคิดนึกให้รู้ไว้นะอย่าไปสนใจองความรู้สนใจนั่นสนใจนี่อย่าไปสนใจให้มากให้มีสติไว้ไม่ประมาทไว้นะครับนี่นะความดับสนิทของอวิชชานั่นแหละจะทำให้ความดับสนิทของสังขารมีนี่พระองค์ก็ถามภิกษุทั้งหลาย ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะความดับสนิทของอวิชชาความดับสนิทของสังขารจึงมีหรือหนอหรือว่าไม่ใช่เธอทั้งหลายมีความเห็นในเรื่องนี้ว่าอย่างไรภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าอาวิชชานิโรธาพันเตสังขาระนิโรโทข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเพราะความดับสนิทของอวิชชาความดับสนิทของสังขารจึงมี เอวังโนเอถะโหติอวิชานิโรธาสังขารนิโรโทในข้อนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นดังนี้ว่าเพราะความดับสนิทของอวิชชาความดับสนิทของสังขารจึงมีดังนี้นะครับอย่างนี้พระองค์ก็สาธุการในบาลีข้อ406สาธุพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายดีแล้วดีแล้ว อิติโขภิขเวตุ ม, มเหปิเอวังวเดธะดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้เธอทั้งหลายก็กล่าวอย่างนี้ดังนี้แลอหัมปิเอวังวดามิแม้เราตถาคตก็กล่าวอย่างนี้เหมือนกันกล่าวเหมือนกันรู้ในสิ่งเดียวกันนะครับก็คือถ้าว่าย่อๆแล้วอิมัตสมิงอสติอิดังนะโหติ เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้มันก็ไม่มีเห็นไหมมันไม่มีแต่มันไม่มีไม่ใช่ว่ามันหายไปลอยๆอยอะไรต่างๆที่มันไม่มีเพราะว่ามันไม่ได้มีอยู่ก่อนแต่มันมีเมื่อมันมีเหตุแต่ถ้าเหตุมันไม่มีเป็นไงตัวมันก็ไม่มีเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีเพราะว่ามันลอยๆอยหรือว่ามันหายอะไรไปมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันไม่มีเพราะว่ามันไม่มีเหตุอย่างนี้นะเราก็เข้าใจตามที่เป็นจริง นะครับอิม <me Huh. S 1> ัตสงอัสติอิดังนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีอิมัตสานิโรดาอิมัตสานิโรธาอิดังนิรุชติเพราะการดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอย่างนี้นะครับเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้มันจึงไม่มีเพราะการดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป ฉะนั้นมันจึงไม่เกี่ยวกับการมีหรือการไม่มีนะครับถ้าเราเข้าไปโอ้อันนี้มีอันนี้ไม่มีอันนั้นถูกอันนี้ผิดอันนี้เที่ยงอันนี้ไม่เที่ยงอย่างนี้มันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้นั่นแหละแต่ว่าโดยแท้จริงแล้วในหลักของคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นทางสายกลางคือไม่เข้าไปยึดข้างใดข้างหนึ่งที่ไม่เข้าไปยึดเพราะว่ามันยึดไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรให้ยึดได้โลกมันไม่มีอะไรให้เราไปยึดได้แต่มันมีแต่ของหลอก ให้เราไปยึดถ้ามันหลอกเราไม่ได้หรือว่าเรามีปัญญาไม่ถูกหลอกเราก็ไม่ยึดมันแล้วมันก็จบกันไปไม่เกี่ยวกับมีเพราะว่าจะมีก็ได้เมื่ออันนี้มีอันนี้มันจึงมีเพราะการเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นจะว่าไม่มีก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ไม่มีแบบหายโล่งโจงไปแบบว่างๆโล่งๆไม่มีอะไรไปไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีก็ด้วยความรู้ความเข้าใจ เมื่ออันนี้ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีเพราะการดับไปของอันนี้อันนี้ก็ดับไปอย่างนี้พอเข้าใจัหมไม่ใช่ไม่มีแบบแหม่ว่างโล่งเลยเราไม่มีอะไรไม่ใช่อย่างนี้แบบนี้มันสมองกลวงแล้วนะแต่ไม่มีเพราะปัญญาที่อันนี้ไม่มีก็เพราะว่าเมื่ออันนี้ไม่มีอันนี้มันจึงไม่มีความเข้าใจผิดไม่มีก็เพราะว่าความเข้าใจถูกมันมีขึ้นเมื่อกิเลสมันไม่มี ความเข้าใจผิดมันก็ไม่มีตัณหาไม่มีก็เพราะว่าความไม่รู้มันไม่มีอย่างนี้เมื่อความรู้มันเกิดตัณหามันก็หมดไปอย่างนี้พอเข้าใจไหมเมื่ออันนี้ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีเพราะการดับไปของอันนี้อันนี้ก็ดับไปอย่างนี้นะครับเมื่อขยายความก็เป็นยะดินางได้แก่อวิชานิโรธาสังขารานิโรโธ สังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโธวิญญาณนิโรธานามรูปานิโรโธนามรูปานิโรธาสลายตนะนิโรโธสลายตนะนิโรธาผัสสนิโรโธผัสสนิโรธาเวทนานิโรโธเวทนานิโรธาตันหานิโรโธตันหานิโรธาอุปาดานิโรโธอุปาดานิโรธาภวะนิโรโธ ภาวะนิโรธาชาตินิโรธโอชาตินิโรธา ช, า ร, ธาชารามรณังโสกะปริเทวะทุกขโดมนัสสุปายาสานิรุชันติเอวเมตสะเกวลสะทุกขขันทัสสนิโรโทโหติเพราะความดับสนิทของชาติไม่มีชาติแล้วชารามรณะโสกะปริเทวะทุกโธมนัสอุปายาสจึงดับไป ความดับสนิทของกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้นะครับอันนี้ก็กล่าวถึงทั้งความเกิดขึ้นของกองทุกขแล้วก็ความดับสนิทของกองทุกขทั้งความเกิดก็เป็นความเกิดของกองทุกทั้งความดับสนิทก็เป็นความดับสนิทของกองทุกขไม่ได้เกี่ยวกับตัวตนอะไรเป็นแต่เรื่องเหตุเรื่องของปัจจัยถ้าทาเหตุปัจจัยให้ทุกเกิดทุกมันก็เกิด ถ้าทําเหตุปัใจจัยให้ความดับสนิทของทุกข์ทุกข์ก็ดับสนิทนี่มันเป็นแต่เรื่องของเหตุเรื่องของปัจจัยถ้าเราใช้ชีวิตได้ถูกต้องทุกข์มันก็ไม่เกิดก็ดับสนิทของทุกข์ถ้าใช้ชีวิตไม่ถูกต้องทุกข์มันก็เกิดนี่มันอยู่ที่การใช้ชีวิตถูกหรือไม่ถูกพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกวิธีให้มาใช้ชีวิตที่มันถูกต้องซึ่งเราพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองก็คือให้มาประพฤติพรหมจรรย์ใช้ชีวิตให้มันถูก อันนี้นะความเกิดขึ้นของของทุกข์กับความดับสนิทของกองทุกข์นะครับเมื่อเห็นดังนี้แล้วนะเห็นความจริงดังนี้แล้วการที่จะไปยึดถือว่ามีตัวมีตนในอดีตมีตัวมีตนในอนาคตมันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ก็คือคนที่เห็นความจริงอย่างนี้เห็นว่าตัวตนนี้มันไม่มีมีแต่ของที่เกิดไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งฝ่ายเกิดทุกข์ทั้งฝ่ายที่ดับสนิทของทุกข์ ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นนะครับถ้าใช้ชีวิตอย่างขาดสติขาดสัมปชัญญะก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าใช้ชีวิตอย่างมีสติมีสัมปชัญญะเป็นไปเพื่อเกิดศีลสมาธิปัญญาก็เป็นไปเพื่อดับสนิทของทุกข์ไปตามลาดับก็มีอยู่สองข้างทางเลือกอย่างนี้นะไม่มีตัวไม่มีตนอะไรไม่มีผู้มีอานาจบัณดาลอะไรไหมมีไหม ผู้มีอำนาจบรรดาว่าโอ้ยใครบรรดาให้เราทุกเนอใครจะบรรดาให้เราพ้นทุกเนอะมันไม่มีใช้ชีวิตผิดใช้ชีวิตด้วยความไม่รู้ขาดสติสัมปชัญญะก็เป็นทุกไม่มีใครบรรดาลให้ก็การกระทําหรือว่าธรรมะนั่นแหละเป็นตัวบรรดาลถ้าจะว่านั่นนะนะการใช้ชีวิตที่ผิดผิดนั่นแหละบรรดาให้เกิดทุกถ้าจะว่าบรรดาลถ้าจะบอกว่าพระเจ้าก็อวิชชานั่นแหละเป็นพระเจ้าสําหรับฝ่ายเกิดทุกนั่นแหะนะถ้า ไฟที่จะทําให้ถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์ล่ะถ้าใช้ชีวิตอย่างถูกต้องจะมีใครบอกว่าแอบบรรดาให้เกิดสุขบรรดาให้พ้นทุกข์อย่างนี้ก็ไม่มีถ้าจะบอกว่าบรรดาลก็ได้ก็การใช้ชีวิตของเขาที่ถูกต้องการมีสติมีสัมปชัญญะมีศีลสมาธิปัญญามีอริยมรรคนั่นแหละเป็นผู้บรรดาลเป็นผู้ที่สร้างแบบนั้นขึ้นมานะจะบอกว่ามีพระเจ้าสําหรับคนนี้ก็ได้แต่ว่าก็คือธรรมะนั่นแหละ การใช้ชีวิตที่ถูกต้องวิชานั่นแหละอย่างนี้นะครับฉะนั้นเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วท่านก็หาคนที่ท่านจะนับถือเหมือนกันนะท่านก็มองดูเอ๊เราก็รู้ทั้งหมดแล้วจะนับถือใครดีเนาะทีนี้ก็อะไรมาเนื่องนั่งนึกว่าอ๋อที่เราได้เป็นพระพุทธเจ้านี้ก็เพราะว่าได้รู้ธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงอ๋อนี่นี่นับถือธรรมะนี่แหละเพราะว่าธรรมะทําให้เกิด พุทธะคือพระพุทธเจ้าขึ้นใช่ไหมเพราะได้รู้ความจริงตามที่มันเป็นนี่ทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีฝ่ายเกิดทุกฝ่ายดับทุกรู้ตามความเป็นจริงจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็นับถือธรรมะนั้นเคารพธรรมะนั้นอย่างนี้นะครับฉะนั้นเราทั้งหลายก็จะเอาอย่างคติของพระพุทธเจ้าก็ได้ก็คือนับถือสัจธรรมความจริงหรือว่าความถูกต้องตามหลักธรรมนั้นเป็นหลักส่วนความเห็น ทัศนคติอุดมคติอะไรของใครก็ว่ากันไปแต่ถ้าจะให้นับถือจริงๆก็นับถือไปที่ความถูกต้องตามหลักธรรมเป็นหลักถ้าอันนี้ให้เกิดทุกข์ก็ว่าให้เกิดทุกข์อันนี้ดับทุกข์ก็ว่าดับทุกข์ไปอย่างนี้นะครับเรียกว่าเคารพธรรมะซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เคารพธรรมะเหมือนกันผู้ที่เห็นธรรมะแล้ว เห็นความจริงว่าแท้ที่จริงไม่มีตัวไม่มีตนเปลี่ยนเป็นเพียงแต่ขันทั้งห้าที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเขาก็จะไม่เกิดความเห็นผิดใดๆแม้ในอดีตในอนาคตและก็ในปัจจุบันท่านก็จะแสดงเอาไว้ในข้อ407นะครับอบปินุตุ ม, มเหีพิกเวเอวังชานันตาเอวังปัจสันตา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายผู้รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ปุบบันตังวาปฏิทาเวยะจะพึงแล่นเลยไปสู่ขันอันเป็นอดีตในการก่อนอย่างนี้บ้างหรือหนอว่าปฏิทาเวยะก็คือแล่นเลยไปเลิดเลยไปด้วยอำนาจตันหาบ้างด้วยอำนาจทิฏฐิบ้าง นะปุปปันต่างก็คือขันในอดีตนะคนเราทั่วไปนั้นชอบแล่นเลยไปก็คือสิ่งต่างๆมันไม่มีตัวตนหรอกเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเราก็แล่เลนตเตลิดเลยไปตลอดอันนี้พระองค์ตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายผู้รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จะพึงแล่นเลยไปสู่ขันอันเป็นอดีตอย่างนี้บ้างหรือหนอว่า อเหสุมมะนุโขมะยังอตีตามทานังเราทั้งหลายได้มีแล้วในอดีตการหรือหนอจะแล่นเลยไปอย่างนั้นไหมในอดีตเราได้มีอยู่หรือเปล่านาะจะแล่นเลยไปอย่างนี้นไหมไม่แล่นเลยไปเนาะในอดีตมันก็ไม่มีอะไรมีแต่รูปกับนามขันต่างห้าที่เกิดแล้วก็ดับไปแล้วตอนเด็กมีเราดูหรือเปล่านาะ <c oughs> เราตอนเด็ก ไม่มีเราไม่มีเราอย่างนั้นนะนี่บางคนเขาไม่เข้าใจก็พอไปละลึกชาตินะบางทีบางคนละลึกชาติโอ้ละลึกชาติโอ้เราชาตินูน้นชาตินี้ชาตินั้นมีเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมแม้มาฟังเรื่องชาดกก็แหมไม่เราแล้ ว, ลวพระโพธิสัตว์ก็แล้วกันพระพุทธเจ้าเป็นโน้นเป็นนีนน่อย่างนู้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นพวกมีความเห็นผิดเท่านั้นเองแต่ถ้าพวกท่านที่มีความเห็นถูกต้องแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้แล้วท่านจะไปคิดว่ามีเราหรือว่ามีคนมีโพธิสัตว์มีพระพุทธเจ้าจริ ง, รงๆอยู่ในชาติโนู้นชาตินี้ไหมก็ย่อมเป็นไปไม่ได้นะนี่พระองค์ก็บอกว่าจะแล่นเลยไปอย่างนั้นไหมมันไม่แล่นเลยไปหรอกแต่เราทั้งหลายนี่โดยส่วนใหญ่ไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจก็แล่นเลยไปทั้งๆที่สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นเพราะเหตุแล้วมันก็ดับไปแต่เขาแล่นเลยไปนั่นเราเป็นนั่นเราเป็นนี่ บุคคล น, นั้นเป็นอย่างนี้บุคคล น, นี้เป็นอย่างนั้นไปอีกนะครับเราทั้งหลายได้มีแล้วในอดีตการหรือไม่ห น, นานนุโขอะเหสมหะอตีตามทานหังหรือว่าเราทั้งหลายไม่ได้มีแล้วในอดีตการเอเรามีหรือว่าเราไม่มีจะว่าเรามีหรือเราไม่มีดีเนี่ยเรามีมันก็เป็นส่วนสุดข้างหนึ่งมันก็ไม่ถูกเหมือนกันเราไม่มี เออหรือว่าเราไม่มีเนาะมันก็งงไปอีกก็เราไม่มีเราใช่ไหมแต่จริงๆมันไม่มีเรื่องความคิดความเห็นอย่างนี้หรอกถ้าคนเห็นถูกต้องแล้วมันไม่เกี่ยวกับเรามีหรือว่าเราไม่มีแต่บางพวกนี่แต่เดิมแหมมีเราเนาะพอมาเรียนธรรมะไม่มีเราอีกแล้วมันก็เลยงงไปงงมาแต่จริงๆมันไม่เกี่ยวทั้งเรามีหรือเราไม่มีนะ เพราะว่ามันมีแต่เรื่องธรรมะที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่ออันนี้มีอันนี้มันจึงมีเพราะการเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่ออันนี้ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีเพราะการดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนะถ้าท่านไปคิดมากๆท่านก็จะปวดหัวว่าเอ๊ะตกลงมันมีเราหรือมันไม่มีเราอะเนี่ยมันงงไปงงมาเพราะว่าอันนั้นมันเปินแค่ความคิดทั้งสองส่วนเท่านั้นเองนะนี่พวกที่หนึ่งก็ว่า อเหสุหะนุขโขไมยังอตีตะมัฏฐานังเราทั้งหลายได้มีแล้วในอดีตการหรือหนอณนุขโขอเหสุมหมะอตีตะมัฏฐานังหรือว่าในอดีตการเราไม่ได้มีแล้วหรือว่าในอดีตเราไม่มีเป็นอย่างนั้นไปสิอีกก <k _ d examples> ิงนุโขอเหสุมหมะอตีตะมัฏฐานังในอดีตการเราได้เป็นอะไรหนอ ได้เป็นหมาได้เป็นแมวได้เป็นเทวดาได้เป็นเปรตอะไรอะไรนอะกระถางนุโขอเหสุมหะอติตะมัฏฐานังในอดีตการเราได้เป็นอย่างไรหนอได้ตัวสูงตัวดำตัวดำตัวขาวมีอาหารยังไงหน้าตาหล่อไหมอ้วนไหมมีอายุเท่าไหร่สนใจรายละเอียดนะถ้าเป็นอะไรนี่หมายถึงว่าเป็นสัต ตัวนั้นตัวนี้เป็นมดเป็นมแมลงอะไรไปเลยส่วนอย่างรานี่รายละเอียดของมันอายุเท่าไหร่กินอาหารอะไรในยุคนั้นบ้านเมืองเป็นอย่างไรในยุคนั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นกิงหุตวากิงอเหสุมมหะนุโขมะยังอติตะมัททานังในอดีตกาณนั้นเราทั้งหลายเป็นอะไรแล้วจึงได้ไปเป็นอะไรหนอ เกิดจากชาตินี้ตายแล้วไปเป็นอะไรอีกชาตินีแปปนรร้แล้วไปเป็นอะไรอีกทำกรรมอะไรอีกแล้วไปเป็นอะไรอีกเป็นอะไรอีกไปเรื่อยๆถ้าเขารู้เขาเห็นตามที่เป็นจริงแล้วจะเกิดการแล่นเลยไปอย่างนี้ไหมพระพุทธเจ้าก็ถามภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าโนเหตัง no พันเตเป็นไปไม่ได้เลยพระเจ้าข้าฉะนั้นพวกที่เห็นเรื่องว่ามีตัวมีตน ตัวเราไปเกิดที่นั่นที่นี่วนเวียนไปนั่นเป็นนี่เกิดที่โน่นทํากรรมโน่นแล้วมาเกิดที่นี่ทํากรรมนี่วนเวียนไปอันนั้นเป็นพวกเห็นผิดเป็นพวกยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นเองนี่พระพุทธเจ้าถามตรงๆว่าถ้าเห็นธรรมะเห็นความจริงแล้วจะเกิดความรู้สึกอย่างนี้ได้ไหมปิกษุเขบอกว่าไม่ได้เกิดความรู้สึกมีเราเราเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอะไรเป็นอย่างไรไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเขาไม่เกิดความยึดขึ้นอย่างนี้นะครับนี้แม้ในอดีตก็ไม่เกิดความยึดถือไม่เกิดความเข้าใจผิดไม่แล่นเลยไปในอดีตก็มีแต่ขันนะเกิดขึ้นเพราะเหตุแล้วก็ดับไปนะก็ไม่แล่นเลยไปในอนาคตก็เหมือนกันนะถ้ามีเหตุปัจจัยอีกมันเกิดหมก็เกิดก็มีแต่ขันที่เกิดเกิดแล้วดับไปตอนนี้ ก็มีแต่ขันทั้งห้าเกิดเพราะเหตุเกิดแล้วดับไปเขาจะแล่นเลยไปเป็นเราของเราไหมก็ไม่แล่นเลยไปเนี่ยส่วนใหญ่พวกเราเป็นยังไงครับมันแล่นเลยตลอดนะเลยเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยไปตัวเราของเราจะบังคับโน่นจะบังคับนี่เอ้ย hey, ทำไมเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้เหตุปัจจัยมันมองไม่ออกแล้วแท้ที่จริงที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีเหตุปัจจัยพร้อมแล้วมันจึงเกิดขึ้นแต่เรานี้เลยไปด้วยตัณหาแล้ว ทำไมมันเป็นอย่างนี้นานแต่ที่จริงที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุปัจจัยมันพร้อมยังพร้อมแล้วมันจึงเกิดแต่เรานี่เลยไปแล้วนี่อย่างนี้นะครับอันนี้กล่าวถึงเมื่อผู้ที่รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นจะพึงแล่นเลยไปด้วยอานาจตัณหาและทิฏฐิก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ ในอนาคตในปัจจุบันก็เหมือนกันนะเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนต่อไปในคราวหน้านะครับวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน